อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้อาตมาจะนําเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมแต่ว่าอยู่ในด้านของกรรมดีคือ 1 อนิทานบารมีและการนี้ 2 บุญที่เกิดจากก็อาศัยโมทนาบุญมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท ผู้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ดับทราบผลด้วยการอธิษฐานบารมีก็ดีด้วยการโมทนากุศลบุญญาราศีที่บุคคลอื่นทําแล้วแล้วโมทนาด้วยจะมีผลสืบเนื่องกันเป็นประการใดสําหรับเรื่องนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่มัยดิพระองค์ทรงเสด็จประทับจักยังอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารภบัณฑิตเอ่อสุวรรณสมณเณรเป็นสําคัญและองค์สมเด็จพระวิชิตตมานบรมศาสดาทรงได้ทรงแสดงตรัสเป็นพระธรรมเทศนาว่าโยฮาเวห์เป็นต้นเนื่องความมีอยู่ว่าในสมัยนั้น เมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันบรมไสยาสน์นาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสเรื่องราวพระสุวรรณสัมมณเถรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องราวอุปการของพระอนุรุทธก่อนความจริงอุปการของพระอนุรุทธนี่มีความสําคัญแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากเพราะเป็นผลที่โลกไม่ช้ําทําไม่เสีย รู้ว่ามีผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมความพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมอุตระทรงบัญญัติขึ้นในโลกด้วยทรงเชิญประชชนอยู่ในสมัยนั้นมีกุลบุตรคนหนึ่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง มวยในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าภิสุทธิ์ทั้งหลายในด้านทิพสกูยานในระหว่างท่ากลางบริษัททั้ง 4 เธอจะมีความปรารถนาเช่นนั้นบ้างในวันหนึ่งได้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระวธุมุตระนั้นมาทูลอวยทาน แต่พร้อมทั้งบรรดาภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเวลา 7 วันและยังตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้แต่ข้าพระองค์พึงเป็นผู้ได้อํานาจการถวายทานนี้ขอข้าพระองค์นี้จงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายในด้านที่วิคุญาน ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตกาลเถิดพระพุทธเยาว์ขามนุษย์คนนั้นเค้าตั้งมโนปริธานไว้อย่างนี้เมื่อได้ตอนต่อไปเพราะอาศัยการถวายสังฆทานซึ่งมีองค์สมเด็จพระวจิตรมานเป็นเป็นประมุขในคราวนั้น 7 วันตั้งใจไว้เฉพาะ ขอบุญกุศลนี้จงบันดาลให้เขาได้เป็นผู้มีทิพยคุญานพิเศษคือว่ามีทิพยคุญานเหลือพระอื่นใดทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีนามว่าพระปฐมอุตระได้ทรงตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งในในสมัยในสมัยนั้นไว้เอกธรรมองค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระปฐมอุตระ ทรงตรวจดูด้วยอํานาจพระพุทธิญาณญาณนี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่าพระสาวกก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่กว้างขวางไม่ว่องไวไม่ไกลเท่าของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูด้วยอํานาจพระพุทธิญาณเห็นว่าสิ้นแสงกับก็กัดนิพพานไปได้แสงกับบุรุษคนนี้จะ เกิดไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็เกิดไปซึ่งกว่าจะครบแสงกับก็ทรงสร้างแห่งความสําเร็จความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่งแสงกับนี้ที่เรียกกันว่าภัทรกับคือเป็นกับที่ทรงพระพุทธเจ้าเธอจักเป็นผู้มีชื่อว่าอานุทเถระ ได้ได้เป็นภิกษุคนเล่กว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดในด้านที่เปกุญานในศาสนาขององค์สมเด็จพระพุทธทมหารสมพระนามว่าพระสมณโคดมเขาฟังคําพยากรณ์แล้วมีความดีใจมากมีธรรมปีติเกิดขึ้นอย่างล้นพ้นมีความรู้สึกว่าในระยะแสงกับข้างหน้า <c oughs> มีระยะใกล้คล้ายๆกับวันพวกนี้กันเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีทรงพระนามว่าพระวธุโมตตระเสด็จดับขันธ์เข้าสู่เข้าทะปรินิพพานแล้วเขาจึงจริงได้ถามการบริกรรมเพื่ออันที่จะได้ทิพยคุญาย์แก่ภิกษุได้ให้บรรดาภิกษุทั้งหลายได้แนะนําเขา เพราะว่าการที่จะได้ทิพยคูยานที่ดีจริงๆนั้นต้องทําคมไฟเป็นต้นหลายพันต้นแม้พระสมัยนั้นท่านก็เอาเรื่องไม่กันไม่ความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยคูยานจริงๆก็ต้องบูชาพระรัตนตรัยด้วยวิธีคมไฟ เมื่อบรรดาเพื่อเขาฝากอย่างนั้นผู้อาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ที่จะคุยญาติจึงให้ทําโคมไฟหลายพันต้นล้อมไปด้วยล้อมพระสถูปทองอันสูงใหญ่ได้เม 7 โยชน์นี่ความจริงพวกเราจะทําบ้างก็ไม่ต้องทําอย่างเขาเพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างถ้าไม่ได้สร้างโดมโคมก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมันซื้อดอกเกียงซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้ตามราชสูตรนี้ทั้งกล่าวทั้งคนรวยในเมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จําเป็นไปเอาเป็นแต่เพียงว่าทําอย่างเขาอย่างมณฑาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าเราไม่มีโอกาสจะสร้างคมไฟก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้า วัดไหนที่ท่านใช้ได้เกี่ยงน้ํามันก็ให้ค่าแต่เกี่ยงค่าน้ํามันเป็นค่าใช้จ่ายนั่นแหละแค่แสงสว่างเพียงนี้ใช้ได้เป็นนัยว่าเขาทําอย่างนั้นแล้วได้ทําการบูชาด้วยสติปณ์คมไฟตลอดชีวิตฉะนั้นเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นแสงกับ <c oughs> หมายนี้ธรรมะได้บอกบอกเค้าเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งในกลับนี้เกิดในตระกูลของคนเข็นใจคําว่ากลับนี้เกิดในตระกูลของคนเข็นใจอ๋อในกลับนี้เองแต่ว่าไม่ใช่ชาติสุดท้ายฟังแล้วอย่าเข้าใจผิดสําหรับกลับนี้คือกลับที่เราทรงกันอยู่นี่เค้าเกิดหลายหน มาเกิดในตระกูลของคนยากจนเข็งใจในกรุงพาราณสีอาศัยท่านสุมนเสถีเป็นคนขนย่าของท่านเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นลูกจ้างขนย่าให้ม้าให้โคสมัยนั้นก็มีชื่อว่าอนภาระแม้ท่านสุมนเสถีก็ถวายมหาทาน ความจริงท่านสมณะเศรษฐีผู้เป็นนายก็มีจิตสถามากถวายมหาทานเป็นปกติท่านมาถวายมหาทานเป็นปกติอยู่ในนครนั้นตลอดการเป็นฤทธิ์ภายหลังวันหนึ่งพระประเจกขุนตเจ้ามีนามว่าอุปริอุปริฐะออกจากนิโรธสมาบัติที่เขาคนะมาดแล้ว แห่งกิตติวาวันนี้เราจะทําการอนุเคราะห์แก่บุคคลใดดีหนอความจริงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขณะใดที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติติมัตราใช้เวลา 7 วันหรือใช้เวลา 15 วัน เพราะอจานิโรธสมาบัติแล้วถ้าใครได้บำเพ็ญกุศลในวันนั้นถ้าเป็นคนจนอยู่ก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ในวันนั้นถ้าเป็นคนนิยามที่มีความลําบากด้วยกี่ใดเขาก็จะมีความสุขในวันนั้นเองเพราะผลแห่งนิโรธสมาบัติเมื่อท่านพิจารณาแบบนี้แล้วก็ทราบว่าวันนี้การที่เราทําการเฉพาะแก่บุรุษชื่อว่าอนภาระ เป็นการสมควรเพราะว่าบุคคลนี้เป็นคนดีตั้งมโนบริทานวนัยการก่อนด้วยดีมากด้วยปรารถนาที่ปิยกุญญาเมื่อท่านพิจารณาพิจิตรนัยเห็นสมควรแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ที่เขาอยู่ที่ไหนก็ทราบได้ยายของท่านว่าเขากําลังขนหญ้า อยากดงจะกลับมาที่เรือนของเจ้านายเมื่อทราบดังนี้ท่านจึงได้ถือบาทถือจีวรแล้วก็ไปด้วยฤทธิ์คําว่าไปด้วยฤทธิ์จะหมายความว่าเหาะไปไปยืนปรากฏจะพ้นหน้าของอนัปพาระสําหรับท่านอนัปพาระเห็นท่านมีบาทเปล่าในมือเขาจึงได้ถามว่าด้วยศรัทธา มีเพราะสายเจตนาลืมที่บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้เฉพาะว่าปรารถนาให้เป็นผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นในด้านที่จะคุญานจึงบันดาลให้เขาเกิดศรัทธาทุกชาติจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะมีอารมณ์เป็นสัมมาทิฐิอยู่เสมอเพราะเจตนาของเขาใหญ่อันนี้ข้าบรรดาท่านผู้รับฟังก็น่าจะฟังเข้าไว้แล้วก็คิดตาม ใคร่ควรไปว่าถ้าท่านมีความปรารถนาจะให้จิตใจของท่านเป็นสมาธิทิมีความเห็นชอบไม่ประพฤติชั่วในชาติต่อๆไปก็ดูตัวอย่างท่านอนัภาระหรือพระอนุทรอนัภาระนี่ก็คือพระอนุทรตนเองถ้ายืนถามท่านว่าท่านเข้ารับท่านได้วิสาบ้างหรือเปล่าพระฤาเจกับพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบคําว่า เราจักได้จากที่ไหนแล้วพระคุณเราจักได้ละในฐานะที่ท่านมีบุญมากเราทราบว่าท่านมีเป็นคนมีบุญแล้วเราก็ทราบว่าท่านมีศรัทธาจะสงเคราะห์เราเราจึงได้มาณที่นี้สําหรับท่านอนภาระจึงได้เรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าฉะนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรด คอยรอสักครู่เดี๋ยวนะครับเมื่อกล่าวดังนี้แล้วจึงได้ทิ้งหับหญ้าไว้ก่อนงานที่ทําวางไว้ซะก่อนรีบขึ้นไปสู่เรือนโดยเร็วจึงถามพัญญาวาว่านางผู้เจริญอาหารส่วนที่หล่นเก็บไว้สําหรับผู้ฉันน่ะมีมั้ยท่านได้รับคําตอบจากพัญญาว่ามีอยู่ใน เธอจึงได้กลับมาโดยเร็วแล้วก็รับบาตรเอาของรับประเจากพระพุทธเจ้าไปสู่เรือนของตนเมื่อมีความคิดว่าเมื่อระเมื่อความที่เราเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะให้มีอยู่ในธรรมะธรรมในทะยธรรมไม่มีที่ตามภาษาบาลีท่านฟังไม่ชัดเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ด้วยความใจด้วยใจความว่าในการบางครั้งที่เขามีปรารถนาจะถวายทานแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเวลาที่พบพระสงฆ์เวลานั้นก็ไม่มีของขนาดใดที่เขามีของก็จะถวายขนาดนั้นก็หาบุคคลผู้รับไม่ได้คือพระผู้รับไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าว่าวันนี้พอที่ข้า 6 คือผู้รับก็มาแล้ว และของที่เราจะพึงถวายก็มีอยู่แล้วเป็นลาภลาภของเราอย่างนี้แล้วเขาจึงให้เผ่อาหารทั้งหลายที่มีอยู่ลงไปในบาตรของพระภิกษุพระพุทธเจ้าจนหมดเป็นอันว่าอาหารสําหรับเขาในวันนั้นไม่เหลือเลยแต่นึกว่าก็ไม่เป็นไรขอให้บ้านมันยังมีพัญญ์ยาอาจจะหาให้ใหม่แต่ก็ต้องรอหิวเอาหน่อย <c oughs> นี่เป็นอันว่าเค้าให้อาหารเค้าให้ทานด้วยการตัดชีวิตโดยไม่คิดว่าเวลาหน้าเนี่ยเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ตามขอให้ได้ถวายกับพระก่อนแล้วกันเป็นทานที่เราต้องการมากๆนี่เป็นความปรารถนาของเค้าเมื่อเค้านําบาทมาแล้วก็ตั้งไว้ในมือคําพระเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยฐานที่กระผมได้ถวายแล้วนี้ขอความเป็นผู้ขัดสัญญาจนอย่าได้มีกับผมอีกขึ้นยืดขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่มีจงอย่าได้มีกับผมในชาติใดๆต่อไปเลยเป็นอันว่าทุกๆชาติก็ปรารถนาต่อ ในในชาติก่อนนรเขาปรารถนาอยากจะได้ทิพยคุญญานเป็นผู้เลิศคือเป็นผู้บรรเสยจะบุคคลใดทั้งหมดรวมความมาขึ้นชื่อว่าทิพยคุญญานแล้วไม่ต้องการให้ใครเหนือเขาแต่นํากลับชาตินี้เข้ามาอธิษฐานใหม่ต่อของเก่าไม่ลบเลือนว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่มีจงอย่ามีกับผมในชาติต่อๆไป จะเป็นชาติน้อยชาติใหญ่พบน้อยชอบใหญ่จะชาติไหนก็ตามเมื่อเกิดแล้วขอความคําว่าไม่มีจึงหยับปรากฏนี่เป็นฆมอธิษฐานสั้นๆแต่กลิ่นความหมายสูงถ้ากล่าวต่อไปว่าท่านเจ้าค่ะขอข้าพเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝึกเครื่องเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ไม่พึงได้ฟังคําว่า ไม่มีเลยในทุกๆชาติโอ้จําไว้ให้ดีนะท่านหลายผู้สนดับเรื่องนี้ต้องจําให้ดีคําอนิทานนี้สั้นแต่ถ้าว่าจริงความหมายสูงอย่าถือว่าเขาเป็นคนโลภก็ไม่ได้เพราะก็ต้องการด้วยสัมมาชีวะเมื่อพระบาเจกับพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับพระราชโหมธนาว่า <c oughs> ขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีบุญมากนี่ภาษานี้ถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยๆปัจจุบันก็ปลอกบอกว่าบอกว่าท่านตั้งใจเช่นใดขอได้เช่นนั้นถ้ามีความปรารถนาเช่นใดขอให้สําเร็จตามความปรารถนาที่ท่านตั้งใจนี่เป็นภาษาไทยๆเมื่อท่านได้พรแล้วท่านก็รีบไป นี่ความดีของท่านที่ทําแล้วนี้เป็นเหตุให้เทวดาทนไม่ไหวแต่เทวดาที่ว่านี่เป็นเทวดาดีในขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัตรของบ้านท่านสุวรรณเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าแค่พูดถึงสมนเศรษฐีถือว่าเศรษฐีมีฉัตรข้ามัณฑนาแต่พุทธบริษัทได้โปรดสาร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 เนื่องนั้นเทวดาในที่นี้จึงบอกว่าเป็นผู้สิงอยู่ในฉัตรของสุมนะเศรษฐีเพราะอธิบดีบอกให้ฟังก็เกรงว่าท่านผู้รับฟังจะจะสงสัยคําว่าสิงอยู่ในฉัตรก็โปรดอย่าเข้าใจว่าเข้าไปอยู่ภายในฉัตรเพราะเทวดาประเภทนี้เป็นลุกเทวดามีวิมานแตะอยู่ที่ยอดฉัตรของท่านมหาเศรษฐีเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัตร ของท่านสมนาเสสถ์จะรัมว่าน่าชื่นใจจริงๆรู้พูดดังๆไม่ฝีสมนาสถั matchedwanoCrazy ng ทานเป็นทานอันเยี่ยมยังยิ่ง ชั้นอนุณชุณนะภาراต่างวัยดีแล้วantes Cross worship พระอุปษฐาพtrackerита rachat shabat shabat shabat shabat shabat shabat shabat shabat j tipping แปลว่าดีละดีละดีละ 3 ครั้งกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุ 3 ครั้งด้วยกันเพราะงั้นท่านมหาเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดจึงได้กล่าวกับเทวดานั้นว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานสิ่งการประมาณเท่านี้หรือ เป็นอันว่าฉันไม่ก็ถวายทานอยู่ทุกวันทําไมท่านไม่โมทนาแล้วก็สําหรับอนัภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราถวายทานครั้งเดียวท่านโมทนานี่มีความหมายเป็นประการใดความจริงท่านมหาศีฐีไม่ได้โกรธเทวดาแต่สงสัยว่าทําไมเทวดาเมื่อเวลาที่เราถวายทานจึงไม่โมทนาเราก็ทําอยู่ทุกวันพระมายก็ดีเราก็ให้ คนมาก็ดีเราก็ให้คนยากจนเข็นใจมาปรารถนาจะมาขอการเกื้อกูลขอการสงเคราะห์เราก็ให้ทําไมเทวดาจึงไม่โมทนาแต่ท่านคนใช้ของเรานี่ทําบุญคราวเดียวท่านโมทนาแปลกใจจึงได้คิดว่าบุญนี้คงจะเป็นบุญใหญ่เทวดาจึงโมทนาเทวดาจึงได้ตอบแก่พระมหาเศรษฐีว่าข้าพเจ้า เรารับทานของท่านแล้วก็ให้สาธุการหาใหม่นี่หมายความว่าเทวดาบอกว่าเราปรารภทานของท่านแต่แต่ว่าจะให้สาธุการนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานนั้นเป็นทานธรรมดาธรรมดาเพียงขอปกติเราก็มีความยินดีไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในทานที่ท่านให้ แต่ถ้าว่าการที่ไม่ได้เปล่งวาจาออกไปครบทันนั้นยังไม่ควรแก่การโมทนาคือว่ายังไม่การยังไม่ควรในการเปล่งวาจาดังๆเราโมทนาในใจนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะเทวดานี่เค้ามีอารมณ์เป็นทิพย์ก็รู้ว่าบุญประเภทไหนหนักบุญประเภทไหนเบาแต่การที่ข้าพเจ้าให้สาธุการแก่ท่านอนัปพาระนี่ ข้าพเจ้าให้ไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบิณฑบาตอันที่อนภาระกระทําถวายแล้วแด่พระอุปริฐทัพพระบจีกับพุทธเจ้าเตลีเฝ่อย่าพระว่าอนภาระตรัสถวายทานที่มีความสําคัญมากคือตัดอาหารของตนเองเมื่อเวลานั่งเค้ามีอาหารของเค้าอยู่ปัญญาจัดไว้เฉพาะเค้า เขาไม่มีของอย่างอื่นอีกที่จะเหลือไว้นี่ก็นําทานนั้นไปถวายแก่พระบจีกับพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ช่างก็มีการตั้งใจไว้เสมอว่าในการบางครั้งเรามีของก็ไม่มีพระผู้รับเมื่อพระผู้รับมาเราก็ไม่มีของวันนี้เรามีของแล้วก็มีพระแม้ของนั้นจะเป็นการตัดชีวิตของเราก็ตามที ก็ขอถวายทานนี้แด่พระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพแต่ความจริงของอื่นมีอยู่แต่ต้องปรุงใหม่มันก็ต้องหิวคนทํางานหนักเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีนั้นได้ฟังคําของเทวดาแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงๆท่านผู้เจริญท่านกล่าวว่าเทวดามันน่าอัศจรรย์มากท่านเทวดาผู้เจริญ เราถวายทานสิ่งการเท่านี้แต่ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทวดาให้สาธุได้สาธุแปลว่ายินดีด้วยท่านอนัภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราก็อาศัยเราอยู่ทำทานครั้งเดียวสามารถให้เทวดาเอ๋ยสาธุกันด้วยบินทบัดเพียงขนเดียวเท่านั้น เราจะต้องทําสิ่งอันสมควรแก่กันในทางของเขานี่เขาไม่ได้อิจฉาฤศีญาต่าร้อนเขาหวังว่าก็เมื่อทานที่เราให้แล้วนี่นานแต่เทวดาไม่ได้ให้สาธุการธนภาระคนรักชายของเขาให้ทานครั้งเดียวเทวดาย์สาธุการแสดงความยินดีทานนี้ย่อมมีความสําคัญ ฉะนั้นท่านที่อนภาระทําแล้วนั้นเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนี่ความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นอ่าเป็นอันว่าในการต่อมาเค้าตั้งใจว่าเราจะทําบินทบัตนั้นให้เป็นของของเราเสียหมายความว่าการที่อนภาระให้เนี่ยเค้าเป็นนายเค้าจะต้องเอาบุญนั้นมาให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ด้วยการอิจฉาได้ศีลา ฟังลีลาของเขาต่อไปเมื่อเขากล่าวดังนี้แล้วจึงได้เรียกให้อนภาระเข้ามาและถามว่านี่เธอวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครไปบ้างอนภาระก็ได้กล่าวว่านายขอรับวันนี้ก็ผมได้ได้ถวายพัตตาหังแก่ท่านอุปริทธะปัจเจกะพุทธเจ้าท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าเอาอย่างนี้เถอะนาย พ่ออนภระเอาอย่างนี้ท่านนะพ่อเจ้าจงถือเอากาหารปะนะคือเงินที่เราให้แก่เจ้านี้แล้วเจ้าให้บิณฑบาตให้แก่ฉันหมายความว่าจงเอาเงินนี้ไปแล้วผลทานที่ถือทําไปแล้วแก่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าจงให้แก่ฉันสําหรับท่านอนภระซึ่งเป็นคนรับใช้จึงได้กล่าวกับพระมหาเศรษฐีอย่างนอบน้อมว่านายขอรับ ถ้าผมให้ไม่ได้หรอกครับบุญที่ผมทําแล้วด้วยความตั้งใจมอบให้ไม่ได้ท่านมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสตางค์เท่านี้มันน้อยไปฉันจะขึ้นราคาให้ใหม่เอามั้ยให้มากไปกว่านี้เป็นอันว่าอนภาระกถามหาเศรษฐีผู้สาหารือกันอยู่อย่างนั้น ต่อรองกันไปต่อรองกันมาโดยท่านมหาเศรษฐีคิดว่าเงินของท่านอาจจะมีค่ากว่าบุญที่อนภาระได้เพราะว่าอนภาระนี่เป็นคนยากจนเข็นใจอาจจะเห็นแก่เงินมากกว่าที่จะเห็นแก่บุญกุศลแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลย่อมไม่เป็นไปตามนั้น